นะก็คือผู้มีบุญเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่คอยดูแลปรนิบัติรับใช้หญิงพวกหนึ่งให้สวยน้ํานมหญิงพวกหนึ่งให้สนองสงสนานคืออาบน้ําหญิงอีกพวกหนึ่งอุ้มคอยอุ้มอีกพวกหนึ่งเอาไว้ใ ส, ส่สืเอวโดยก่อนพิสูจนทั้งหลายราชบุรุษทั้งหลายได้กั้นสเสวตะฉัดคือเรียกว่ามีร่มไปที่ไหนก็มีสเสวตะฉัดคือเรียกว่าฉัดสีขาวเพื่อพระวิปัสสีราชกุมาร ผู้ประสูติแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยหวังว่าหนาวร้อนห ร, ออหรือละออง้าหรือละอองน้ําค้างเป็นต้นอย่าได้ตกต้องพระองค์เลยเรียกว่ามีร่มคอยปรนิบัติก็ยงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมดูแลอย่างดิบดีเท่าที่มนุษย์ทั้งหลายจะทํากันได้ดูการพิสูจน์ทั้งหลายก็พระวิปัสสีราชกุมารพระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ประสูติแล้วแล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 แต่ว่าดอกไม้เหล่านี้เห็นแล้วไม่ระเครียงตานะเห็นแล้วสบายใจเห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วมีความสุขฉันใดพระวิปัสสีราชกุมารก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉันนั้นเหมือนกันนะคาว่าวิปัสสีหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนัยยะเหมือนกันหมดนะนะไม่ต้องแปลกใจว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยต่างแค่ปริมาณเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ขออภัยต่างแต่ห้าอย่างอนะ เช่นประกูลอายุไขแต่ว่าในองค์ประชุมของผู้ที่มีลักษณะมหาบุรุษที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยจะคล้ายคลึงกันเกือบไปหมดเลยได้ยินว่าพระวิปสัสสีราชกกมารนั้นอันบุคคลผัดเปลี่ยนกันอุ้มสายสเอลอยู่เสมอทุกคนก็อยากอุ้มนะทุกคนก็มีความสุขที่ได้อุ้มก็แล้วก็เป็นเด็กเป็นราชกุมารที่น่ารักเนี่ยทุกคนก็อยากอุ้มทุกคนก็อยากจะ ประคับประคองเนี่ยอยากจะดูแลอยากจะเป็นที่เลี้ยงเนี่ยนะไม่ใช่เด็กบางคนเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วก็เหนื่อยอะไรห่างๆหงน่อยได้ไมั้นบางคนถึงกับกลัวเด็กไปเลยลก็เพราะเห็นเด็กที่ไม่น่ารักนั่นเองดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระวิปัสสีราชกุมารผู้ประสูนย์แลร์เป็นผู้ที่มีพระสุรเสียงกลมเกลี้ยงเสียงของพระองค์เนี่ยกลมเกลี้ยงหมายว่กลมกลม่องผู้แล้วไม่ใช่มันแตกพร่าไปหมดไม่ใช่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 มองทะลุภูเขามองลึกลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะเมื่อไรอย่างไรก็ตามเนี่ยเห็นรัศมีสิบหกกิโลเมตรโดยตลอดไม่มีอะไรปิดไม่มีอะไรบังเลยนะก็นี่แหละถ้าทำบุญไว้แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละพิสูจทั้งหลายก็วิปัสสีราชพระวิปัสสีราชกุ ม, มารผู้ประสูติแล้วแลไม่กับพิภพเนตรเพ่งแลดูไม่ต้องกับพิภตาดูนะลืมตาเป็นปกติเล ย, ยงั้นพิสูจทั้งหลาย พวกเทพชั้นดาวเดืองไม่กระพริพระเนตรไม่กระพริบตาเพ่งแลดูแม้ฉันใดพระวิปัสสีราชกุมารก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่กระพริพระเนตรเพ่งแลร็ดูแกเรียกว่าดูไม่ใช่หว่ากระพริบตาแบบคนระคายเคืองทางตานี่ไหมแกเรียกว่าเนื่องจากว่าบุญเนี่ยนาเกิดเนี่ยน ะ, ะร่างกายร้ายส่วนถูกชโลมด้วยด้วยกรรมาชรูปชั้นดีเนี่ยนะจิตจะชรูปตัวชรูปอาหารชรูปก็เลี้ยงดูได้เป็นอย่างดีพันก็เรียกว่า นานๆกระพริบตาหนึ่งก็ครั้งหนึ่งก็สบายแล้วนะนะเรียกว่าดูเหมือนดูไม่ต้องกระพริบตาแต่จริงก็กระพริบบ้างเนะครั้งคราวเพราะเนื่องจากว่าเวลาดูอะไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องกระพริบตานี่แหละคนทั้งหลายก็ตั้งสมัญญาชื่อว่าวิปัสสีทางนี้ก็บังเกิดขึ้นแล้วแกพระวิปสัสสีราชคุ ม, มารผู้ประสูตรแล้วอันนี้เหตุผลอย่างที่หนึ่งที่ พนามว่าวิปัสสีแปล ว, ว่าดูอย่างไม่กระพริบตาและตาที่เกิดจากผลของบุญดูได้ไกลถึง16กิโลเมตรทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอะไรปิดบงังเนี่ยนะอีกครั้งหนึ่งเหตุที่ชื่อว่าวิปสัสสีก็มีอยู่ว่าครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะประทับนั่งในศาลสำหรับพิพากษาคดีให้พระวิปสัสสีราชกกมาร น, นั่งบนพระเพลาหรือนั่งบนตักไต่สวนคดีเอาลูกมานั่งตักว่าความเนี่ยนะ ดูการพิสูจทั้งหลายได้ยินว่าพระวิปสัสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเปล่าของพระชนกณนะสศาลาสำหรับพิพากษาคาดีนั้นพระองค์ก็สอดส่องพิจารณาคดีแล้วย่อมทรงทราบได้ด้วยพระยาณฟังเาฟังเาฟังโจทฟังจำเลยฟังพระเจ้าอยู่หัวผู้เนีเข้าใจทะลุปรุกหรงทั้งหมด ดูการพิสูจน์ทางหลายครั้งนั้นสมัญญาว่าวิปัสสีดังนี้แหละบังเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีราชกุมารโดยยิ่งกว่าประมาณว่างั้นเห็นหมดเลยเข้าใจหมดเลยนะรายละเอียดในสารแปลว่านั่งบนตักพ่อเนี่ยนะตัวนิดเดียวเนี่ยวินชนะิฉัยคดีได้แล้วเนี่ยนะความสามารถขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ต้องไปเรียนกฎหมายให้เวียนเสียนเวียนป้าอะไรที่ไหนเนี่ยนะฟังแล้วก็เข้าใจทั้งหมดทะลุโปรง่ปรงหมดเลยก็คือมีเรื่องอยู่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะ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 ตรงนั้นอะพระองค์ยังเงียบเพราะฉะนั้นก็บอกเลยไม่ได้เลยนะพระราชาคิดว่าจะไตส่สวนคดีแบบพสะเพร่าไม่ได้แล้วเพราะพระกุมารผู้เป็นพระมหาบุรุษรู้ตั้งกต่ น, นั้นมาพระองค์ไม่เคยประมาทเลยนะนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาสา ม, มารถพิจารณาสอดส่องอัดทคดีได้เพิ่มสักเล็กน้อยที่บอกว่าพระโพธิสัตว์วิปัสสีเนี่ยนะพระองค์นี้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 ไม่เป็นท่าเลยนะเคยพอเคยสังเกตไหมอ่านหนังสือได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยหนังสืออ่านแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนคนเมาอ่านหนังสืออันนี้กับสัตว์ทั้งหลายที่เดินก็เหมือนกับคนเมาเนี่ยเดินมันบรรดาสัตว์สี่เท้าแม้กําลังหาอาหารก็ทิ้งหญ้าที่เข้าไปในปากด้วยเสียงนะั้นได้ยินเสียงนี่ลืมเคี้ยวอาหารเลยว่งั้นเถอะลืมกินเลยเสือร้ายที่กําลังติดตามพวกเนื้อน้อยๆคือเรียกว่าเสือวิ่งตามเนื้อเนี่ยก็ไม่วางเท้าที่ยกขึ้น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 พระเทวีก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่เทวะหม่อมชั้นประสงค์จะเห็นนกกาเร w e a v พระราชาก็อธิษฐานว่านกกาเร w e a v จงมาเกาะในกรงนี้แล้วก็ปล่อยกรงทองไปกรงทองก็ไปตั้งอยู่ข้างหน้านกกาเร w e a v ตัวหนึ่งนกกาเร w e a v คิดว่ากรงทองมาตามพระดํารัสของพระราชาไม่อาจจะขัดขืนได้แล้วก็จับเฉยอยู่ณที่นั้นกรงทองก็มาตั้งอยู่เบื้องพระพักของพระราชา อมาตย์ไม่สามารถให้นกกระเวกทำเสียงได้พระราชาก็บอกว่าดูก่อนพนายนกกระเวกนี้ทำเสียงอย่างไรอมาตย์ก็กราบทูลว่าพวกนกกระเวกเหล่านี้เห็นญาติจึงจะทำเสียงนะต่อเมื่อได้ยินเห็นญาติและจึงจะทำเสียงพระราชาก็เลยเอากระจกมามาล้อมนกนกมองดูเห็นเงาตัวเองนึกว่ามีญาติแล้วก็เลยกระพือปีกร้องดุดเป่าแก้วมณีด้วยเสียงอัน่ อ, อนมนุษย์ในสกลนครเยื่องกลายเหมือนคนเมานะคนที่ได้ยินเสียงนก กาละเวกเนี่ยเมื่อเดินเหมือนคนเมาเลยเมนกันไม่เป็นท่าเลยพระนางอสัมที่มิตราก็ดําเรินว่าเสียงของสัตว์เดรัจฉานนี้ยังเพราะถึงอย่างนี้เสียงนกยังเพราะถึงอย่างนี้แล้วเสียงของพร ะ, ะพระโสดาเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรรลุพระสิริคือพระสัพพัญญุตยานเสียงของพระองค์จะเป็นเช่นไรเนา อ, ะอนละละเลิกถึงพระพุทธคุณปรตรบถึงเสียงเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะ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 เสียงเพราะกว่านั้นเทียบกันไม่ติดเลยนี่พระวิปัสสีราชกุมานเนี่ยนะเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของอพระราชบิดามากเพราะฉะนั้นพระเจ้าพันทุมะก็โปรดให้สร้างปราศาสตร์สำหรับพระวิปัสสีราชกุมารสาหลังคือหลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูฝนหลังหนึ่งสําหรับประทับอยู่ในฤดูหนาวอีกหลังหนึ่งสําหรับประทับอยู่ในฤดูร้อน โปรดให้บำรุงพระราชกุมารด้วยเบญจากามคุณหมายค่าว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตพะทุกอย่างล้วนแต่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหน้ารักใคร่เนี่ยนะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเท่าที่จะสรรหาความงดงามในยุคนั้นได้มาเพื่อจะให้พระโพธิสัตว์